วันที่สิบ้ามิถุนาห้าศูนเป็นวันโบสดของพวกเราวันโบสดก็เป็นวันพวกเราทบทวนเรื่องสินสินของพระสินสองยี่สบเจ็ดที่พวกเราขึ้นสวดตกโรงศักครุนี้พระสงฆ์ทั้งหมดมียี่ิบสี่ผ้ารูป ที่นั่งฟังนะแล้วก็มีองค์สวดคือทบทวนสวดเป็นภาษาบาลีเราก็ต้องฟังทุกสิบห้าคัตามพระวินัยถ้าว่าพวกเราไม่มีการฟังและไม่มีการทบทวนเรื่องศีลพวกเราก็คงเสิ่งเจ้่งไปเรื่อยๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นที่พวกเราจะ ลืมหลงลืมเพราะสิ่งเรื่องกดระเบียบวินัยเนี่ยคุณงามความดีนะโดยมากมันจะไม่ใส่ใจพราะไม่ใส่ใจครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปกนเหลืองเจื้างไปเรื่อยเลพรนะาะนั้นเรื่องพระวินัยทบทวนหรือว่าวันอุโบสถเนี่ยเป็นจุดที่จาเป็นสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าจะว่าไปแล้วถ้าพวกเราให้มีความสํานึกในใจอยู่เสมอว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามอบความไว้วางใจสําหรับสักกายบุตรพุทธชินโนรถสักกายบุตรแตฟังได้ว่าบุตรของพระพุทธเจ้าสักกยะทั้งที่พวกเราเป็น ลูกใครก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าว่าปฏิบัติตามหลักพระธรรมภายในตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านถือว่าเป็นบุตรของท่านแปลว่าผู้อยู่ในโอวาทศากะยะบุตรพุทธชินนรสเพราะนั้นการที่พวกเราจะทําสิ่งใดออกไปหรือว่าการจะคิดพูดทําอะไรถ้าพวกเราคิดอยู่เสมอวา่า เราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผมว่าพวกเราคิดเพียงแค่นี้ฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิริคือความละอายแก่ใจนั้นคงจะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยคิดจุดนี้เฉลยพ่อเข้ามาแล้วก็ลืมตัวว่าเราเป็นพระ เอานิสัยความเป็นพระที่เขายกย่องเคารพนับถือกราบไหว้แล้วก็ลืมตัวในจุดนี้แล้วก็พูดคิดทำออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันเสียหายผมว่านนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คืออย่าพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวให้คิดํานึกมาอยู่เสมอว่าเราเป็นตัวแทนหรือเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ท่านมอบความไว้วางใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทาว่าพวกเราอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับเป็นลูกคนโตต่อมาพวกเราก็เป็นลูกรองลงมาเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็เป็นเป็นพี่ฮเป็นพี่ของน้องๆไล่ลงไปเรื่อยอย่างพระที่บวชมาในวันนี้กัเป็นน้องของเราถือว่าเป็นน้องของเราเป็นศักยญาตบุตรเหมือนกัน แต่ต่อไปภาย้างหน้าเท้ามีองค์บวชต่อมาอีกองนั้นก็เป็นพี่องค์บวชมาใหมา่อีกเนะ่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆนะถาาว่าพวกเราสํารวมระวังในศีลพระปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วผมว่าเรื่องอย่างอื่นไม่มีแต่ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้หรือว่ามีปัญหามาตลอดสมัยนู้นถึงสมัยนี้ก็คือพระ ของพวกเราออกนอกรูนอ ก, นอกทางมาอยู่ในกรอบหลักพระธรรมนิยเป็นผู้ว่ายากสอนยากเป็นผู้ปกครองยากในเมื่อออกนอกรูนอ ก, นอกทางสอนยากแล้วทีนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาทั้งหลายทั้งปวงคือตามมาคืออะไรเกี่ยวกับคู่คนทางโลกทางหญิงทั้ ง, ง, งชายเรื่องกฎระเบียบประเทศชาติบ้านเมืองมันลบพลุงพลังไปทั้งหมดทีนี้ เพราะเหตุใดเพราะมันขาดที่คือความละอายเบื้องต้นโอตะปะคือความกลัวตวบะสองอย่างเพราะนั้นน่ะมันออกไปทำให้เสียหายอใ น, นความเป็นมาของพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาแล้วนะถ้ายุค ข, ของเราถ้าว่าไปแล้วยุค ข, ของเราเนี่ยก็เป็นยุคร่อแหลมและน่าคิดเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงยุคก่อนหน้านี้นยุคพญาธรรมโสกราชที่พระเจ้าแผ่นดิน เรื่องอำนาจในยุคสมัยนั้นพราะพุทธศาสนาฟื่องฟูและว่าเจริญอย่างสุดๆในยุคสมัยนั้นปัจจัยสีท่วมทน้นแปลว่าพระสงฆ์มากแต่เมื่อพระสงฆ์มากอตตัติเลกขราบมากถ้าจะว่าไปแล้วถ้าจะว่าดีก็ดีถ้าจะว่า เร่องุ่งเรืองหุ่นวายที่ตามมาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่เราได้ศึกษายกพยาธรรมโศกราชที่ว่าฆ่าพระไม่รู้กี่โยงที่อมาดพระเจ้าธรรมโศกราชให้ไปไกลเกลี่ยให้ประสงค์ให้พระทะเลาะกันให้หยุดการทะเลาะกันพอไปก็ไม่รู้ความหมาย คือพระเจ้าเป็นดินให้ไปไกลเกลีย่ยให้สงบในการทะเลาะกันอธรรมัดกลับไปฆ่าพระในสมัยนั้นต้องฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสดสังเวชอย่างมากแต่ยุคสมัยนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราเป็นพระก็อยู่เครื่อสังวรให้ระวังพาพระวินัยก็มีอยู่แล้ว ศีลของพระมีอยู่แล้วสองรอยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ศาาีลอิุปรมัยฌานก็มีอยู่แล้วที่พวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นำหลักพระธรรมวินยัยมาเป็นเครื่องบ่งบอกและเป็นเครื่องนำพวกเราก็จะออกนอกลูก่นอกทางไม่เช่น้อยเหมือนกัน ออกนอกรูนอกทางโดยมากมันจะไปทางต่ำกิเลสเราชอบทางไหนโดยมากมันจะไปทางนั้นมันจะไม่ไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนาให้ไปยุกิเลสสมัยยุคนั้นกับกิเลสยุกนี้มันเหมือนกันนะั่นนะไม่แพ้กันกิเลสยุกนั้นกิเลสยุกนี้กิเลสราคะโทสะโมหายุคนั้นยุคนี้เหมือนกัน มิจฉาทิฏฐิยุคนั้นมิจฉาทิฐิยุคนี้เหมือนกันความเห็นคนยุคนั้นความเห็นคนยุคนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นความเห็นแต่ความไม่ลงรอยคนยุคนั้นกับคนยุคนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ในยุคนั้นสมัยนี้ถ้าเรานำมาวิเคราะห์แล้วใช้ได้ กระทั่งทุกวันนี้เป็นธรรมะที่ทันสมัยแต่เว้นเสียแต่ว่าเรื่องด้านวัตถุแตกต่างกันในการเป็นอยู่คือยุคสมัยนั้นเขานิยมใช้อย่างหนึ่งแต่พอมาถึงยุคที่สมัยนี้เขานิยมใช้อีกแบบหนึ่งถึงทางด้านวัตถุอันนั้นแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องกิเลสความคิดความเหตุนั้น เรามาเปรียบเทียบดูยุคนี้สมัยนั้นไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราจะนำธรรมะปฏิบัติส่วนลึกซึ้งเข้ามาอย่างอธิบายเรื่องศีลธรรมอย่างนี้นถ้าเรานำศีลธรรมมาอธิบายให้ฟังทำศีลธรรมของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยัลนความคิดเห็นในยุคสมัยนั้นกับยุคสมัยนี้เราเอามาเปรียบเทียบกัน มันก็ยังทันสมัยอย่างในครั้งพระริจาวท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้สอสวงหาความสุขที่แท้จริงคนยุคสมัยนั้นก็หาความสุขอันนั้นความสุขใช่ไหมเงินควาทรัพสมบัติความสุขใช่ไหมเรื่องความสุขใช่ไหมเขาก็หาหมดทุกอย่างมันก็หาไม่เจอเพราะว่าหาไม่ถูกที่ สิ่งไหนก็ตามมันเป็นสุขความสุขอนิจจงของไม่เที่ยงพอสุขหน่อยเดียวทุกข์ขังก็เข้ามาแทนอีกมันแทนในความสุขนั้นสรุป ก, ก็คือความสุขคือความพอใจชั่วคู่ชั่วขนาดชั่วการเวลามันก็ไม่นานพอผ่านความพอใจไปหน่อยหนึ่งความไม่พอใจก็ตามเข้ามาอีกแล้วเพราะนั้น ความสุขที่ถาบอล น, นั้นคืออะไรหาไม่เจอเนะพราะนั้นจึงได้ค้นคว้ากันพอพอสมควรนี่แหละอันนี้ก็คือมนุษชาตในยุคนั้นมายุคสมัยนี้ถ้าว่าเราค้นคว้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกันอีกมันหาไม่เจออีกเหมือนกันแต่ยุคนี้เขาก็พอหาไปแล้วเอาสิ่งอื่นเข้ามา ปะกแก้แค่ลาคาญไปแก้ลาคาญเป็นอันเป็นอันไปเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงแก้ลาคาญเรื่องนั้นเอามาแก้ลาคาญเรื่องนี้เอาแก้ลาคาญหาสิ่งนั้นมาเล่นหาสิ่งนี้มาเล่นคือเป็นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่เพราะนั้นะแก้ลาคาญไปเป็นวันวันเดือนๆือนปีปีปไปผลที่สุดก็ถึงจุดจบไปแต่ก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงอีกเหมือนกันเพราะนั้น ในหลักของพุทธศาสนาในครั้งกนัน้นท่านจึงสอนให้พุทธบริษัทของพระองค์ให้ค้นคว้าหาความสุขต่านมหาหาได้ที่ไหนความสุขที่แท้จริงก็หาเข้ามาที่ใจต้นตอของความแห่งความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่ใจของมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นเราจะหาที่ไหนจพีงจะให้มีความสุข ถ้าว่าใจของเราโปร่งฟงสั่นเละล่นเค็ดออกนอกรูนอกทางไม่มีที่หยุดที่ยับยัง้งใจของเราปล่อยปละละเลยเอื้อละเหยลอยลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราจะมีความสุขจะหาความสุขได้ยากหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ให้มายึดความให้ยึดอารมณ์ให้เป็นน่ง แล้วจะทำยังไงให้อารมณ์เป็นดนังอันนี้พระพุทธองค์ท่านก็สอนยุดอารมณ์เป็นอย่างนั้นคือให้มีอารมณ์กำหนดอยู่จุดใดจุดหนึ่งแต่ท่านกว่าวมนุษของเรายัางหายใจอยู่ยังไม่ตายที่เห็นเห็นอยู่ก็คือลมหายใจถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็มายถคนตายเพราะท่านท่านจึงใหก้กำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออก หายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าให้มีจิตในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอันนี้แหละเป็นประเดิมแร้ว่าเป็นเบื้องต้นสำหรับที่จะทำจิตใจให้สง บ, บหรือว่าหาความสุขในขั้นต่อไปอันนี้คือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะหาความสุขในขั้นตอนต่อไป คือเรื่องสมาธิในเมื่อสิสมาธิปใปพเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วแต่ี้เมื่อพิจารณาเมื่อถอนออกมาเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาไข้ควรทบทวนถึงธาตุถึงขันถึงการเป็นอยู่ทุกอย่างถึงความล้นความตายของธาตุขันร่างกายเราก็จะเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเจน เห็นแล้วเป็นยังไงกันนี่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวาเอาไว้ยอดเมื่อพิจารณาเมื่อกำหมดจิตใจเป็นสมาธิแล้วให้พิจารณาทางถึงกรรมฐานห้า อ, อ, อย่างที่พระบวชใหม่กรรมอุปชาให้กรรมฐานห้าเกสารูมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตาหน้ขาโรมาเกสา เกษาผมโลมาขนน้คขาเล็กันตาฝันตายโจหนังหนังห้อมอยู่กันที่สุดรอบในร่างกายถ้าว่าถลกหนังออกไปแล้วร่างกายจะเป็นยังไงมีแต่เลือดมีแต่ตัวแดงเถือกมีแต่กล้ามเนื้อนุนู่ในร่างกายเป็นอย่างนั้นไหมถ้าคนตายแล้วถลกหนังออกไปแล้วถ้าคนไม่ตายก็จะถลกต่างออกไปคนก็ต้องตายเจ็บปวดมากแล้วเป็นยังไง ร่างกายของเรางามเพราะหนังใช่ไหมถ้าเราพิจารณาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาให้คิดให้พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นรู้ได้ว่าเออใช่จริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนและเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วความสุดแท้จริงนั้นจะเกิดมาได้อย่างไร นเมื่อเห็นอย่างนั้นเป็นความสุขแท้แทจริงใช่ไหมคงไม่ใช่อีก่ไห้ใครเข้าเป็นกุญแจใครก็เปิดประตูหนึ่งประตูสองประตูสามเข้าไปเรื่อยๆใครเข้าเปิดเข้าไปสู่จุดลึกเข้าไปเรื่อยๆใครเข้าจิใจมันหลงที่ไหนความรู้สึกว่าหลงที่ไหนเราหลงอะไรในเมื่อหลงกายเราก็ต้องหลงรากหลงยศ หลงเพศหญิงเพศชายหลงยศถาบรรดาศัก์มันจะต้องหลงไปถ้ามันหลงกายเพราะท่านท่านเราเขาจะรนากายกายของเราเป็นอย่างนี้จาจของเราไม่น่ามันของ ม, มันคงอย่างนี้มันเป็นอสุภาปฏิคูลอย่างนี้ขณะท่างกายของเรายังเป็นอย่างนี้ของอย่างอื่นล่ะมันจะเป็นอย่างไรในเมื่อเห็นร่างกายชัดเจนแล้ว ส่วนอื่นก็เห็นชัดเจนไปด้วยร่างกายอื่นก็เป็นอย่างเดียวกันในเมื่อร่างกายเป็นของเราปีนี้ยศขาบรรดาศักดิ์เกียติยศชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงก็ออกไปจากกายในขณะร่างกายนี่ก็ยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่เป็นของไม่มั่นคงอย่างนี้แล้วส่วนอื่นล่ะจะเป็นอย่างไรเนี่ยในเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นชัดเจนในความรู้สึกของเราจากนั้นก็ ใครเป็นผู้ให้ความสําคัญกายนี้กายนี้สําคัญเพราะอะไรเพราะเหตุใดกายจึงสําคัญทีนี้เรามื่กีย้อนก็มาหาตัวผูรู้คือใจใจนี่คือนามธรรมที่ตัวเป็นเรื่องให้ความสําคัญในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเรื่องของข้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของข้าอันนั้นของดีอันนี้ไม่ใช่ของดีอันนั้นยศทามบรรดาศักดิ์อนน้เป็นเสื่อมบาปเสื่อมยศ อะไรก็ว่ากันไปเพราะอะไรก็ใจมันให้ความสำคัญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดที่นั่นะี่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเะนั้นเราใช้สติใช้ปัญญาที่ว่าสมาธิธรรมนั่น เ, เมื่อสมาธิเป็นเบื้องจิตต้นจิตสงบแล้วเมื่อจิตสงบพอกำลัมาพิจารณามาพิจารณาก็เห็นชัดเจนในความรู้สึกนั้ น, น, นในเมื่อเห็นร่างกาย ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นร่างกายอยู่ในสภาพตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรมีเนื้อมีหนังมีเอ็น ม, มีกระดูกมีลำไส้มีตับมีปอดมีอวัยวะในร่างกาย้าวาร่างกายตายแล้วแตกสลายร่างกายนี่ก็จะต้องเน่าเปื่อยลงสู่ดินน้ำลมไปตามสภาพของมัน แล้วใจของเราความรู้สึกของเราล่ะ ใ, ใจของเราเนี่ยจะเป็นจะตายในช่วงนั้นในก่อนที่มันเรื่องจะเป็นอย่างนั้นคือย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยทนทุกข์ทรมานอย่างมากคือไม่อยากจะตายมีความทุกข์จริงๆหแหในถึงเมื่อถึงเมื่อจะถึงจุดนั้นนี่แหละอันนี้ธรรมาพิจารณาร่างกายเราไว้ก่อนครบทวนไว้ก่อนเราต้องถึงอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอ่า ร่ากายของเราไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่เราจะทําใจอย่างไงเราจะคิดอย่างไงเราจะทําความเข้าใจกับตัวเองอย่างไรใจของเราจะไม่หลงใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะไม่ทุกข์จนเกินไปถ้าเราคิดไว้แต่เนิ่นๆเราคิดไว้แต่ก่อนๆเราพิจารณาทบควนหลายครั้งแต่หลายหนพิจารณาแล้วพิจารณาอีกคทบทวนและทบทวนอีกไม่เป็นอย่างอื่นในะร่างกายนี่นะเนี่พิจารณานด้วยปัญญา รู้ตามความเป็นจริงนะนนเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยไปหลงเขาใช่ไหมใจของเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมจากนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นคว้าลงไปแต่ความสุขแท้จริงคืออยู่ที่ใจคือความปล่อยวางการปล่อยวางที่ใจนะั้นะคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางให้รู้ตามเห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทีนี้การไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแหะ เป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมันแล้วเราได้อะไรสิ่งที่ได้นก็คือมันนอกเหนือสิ่งที่ว่าเราปล่อยวางนั้นมันจะมีมิติหนึ่งระหว่าความรู่หนึ่งขึ้นมาในการปล่อยวางนั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นนี่ว่าฉันว่าใช้จะว่าความบริสุทธิ์ก็ใช่จะว่านิพพานก็ใช่ จะว่าความมัยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงก็ใช่ในเมื่อความ nah. มายึดมั่นถือมันอม่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วความปล่อยวางแล้วนั่นแหละเท น, เนีนอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเนิพพานังตระมังสุขขังนิพพานังตระมังศูนยอย่างศูนย์ก็คือเราไ nah. ม่ยึดมั่นถือมัน่นร่างกายาของเราใจของเราเราไม่ยึดมั่นกระทั่งใจของเราอีก ใจตรงนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังร่างายเหมือนกันไม่ใช่แต่ร่างกายนะท่นี่มันมันเห็นกระทั่งใจตัวผู้รู้ตัวนึกคิดเนี่ยมันนึกคิดมันมันนึกมันคิดมันนึกมันคิดมันก็เกิดกับกระดับเกิดดับเหมือนกันเฮ้เศร้าหมองผ่องใสอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่างกระทั่งตัวนั้นอีกไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งตัวนั้นอีกนั่นแหละท่นี้ความบริสุทธิ์หลุดพ้นความไม่ยึดมั่นตัวตัวนั้นแหละเฮ้ยเราจะ รู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างไงก็ตามนะนู่เนื่อพิจารณากายแล้วอย่าลืมคิดอย่าลืมย้อนมาถึงตัวใจถ้าว่ามีแต่ดูกายเฉยๆนะี่ยังไม่พอลนะต้องย้อนพยายามย้อนอย่างเข้ามาถึงตัวผู้รู้ถึงจะได้มากหรือได้น้อยก็ตามต้องย้อนเข้ามาจุดนี้หลายครั้งไปหลายหนต่อไปความชำนิชำนานของเรามันจะแข็งแกร่งขึ้ น, นเรื่อยจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจะพิจารณาแต่ ภายนอกพิจารณากำหนดพุทโธอย่างเดียวเราก็เห็นแต่ความสงบอย่างเดียวจากนั้นเมื่อกิจสงบแล้วพิจารณากายะพิจารณากายถึงเพิจารณาถึงความตายด้วยความตายนี่เราเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่พิจารณาถึงอสุภะในร่างกายของเราด้วยมีอะไรบ้างในร่างกายเมื่อเห็นร่างกายจะได้ให้ดูใจอีกนะอให้ดูเป็นชั้นๆขึ้นมาอย่างนั้นนะการปฏิบัติหรือการพิจารณาธรำผู้ที่จะ เอาชนะใจแล้วหรือลุดพ้นเพือหาความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจนะทีนี้ถ้าว่าความสุขที่แท้จริงตัวนั้นมร า, ามยังหาไม่เจอเพราะว่าอมันยังอยู่ในกายอยู่แต่ถ้าว่าเข้ามาถึงจุดผู้รู้แล้วน่ะถึงใจแล้วนั่นละ่ะอเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่ที่ใจเห็นเพราะฉนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะการปฏิบัติธรรมอย่างที่ผมได้พูด การภาวนาเบื้องต้นหรือว่าการริเริ่มเบื้องต้นก็คือสิ่งเมื่อสิ่บริสุทธิ์ดีแล้วให้เรามีให้เรามีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตัปปะคือความกลัวต่อบาปอย่าทําในสิ่งที่พระพุทธเจา้าท่านไม่ให้ทําท่านบัญญัติท่านห้ามเอาไว้พวกเราอย่าทําให้พวกเราถือว่าพวกเราเป็นสารกยบุตรเป็นหุตรของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้จาไว้เนื้อช่วยใจพวกเรา ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนจากนั้นก็เผยแผ่ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้แก่ผู้ที่เกิดมาเกิดใหญ่ที่หลังของเราเป็นน้องๆของพวกเราพวกเราก็จะเป็นพี่ขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็คือศีลบริสุทธิ์แล้วครับภาวนาอะไรหาอะไรหาความสุขที่แท้จริงก็คือสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นร่างกายของเราเพราะจิตใจของเราให้ความรุ่มหลงให้ความสําคัญในร่างกายของเราเนี่ยอย่างมากรุ่มหลงตัวนี้เพราะรุ่มหลงตัวนี้แล้วทนีงมันก็เลยหลัง่งไรเข้าไปจนถึงแห่ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราภเรื่องยศเรื่องสนสับสนุเรื่องสุขอะไรตามมาเป็นพวนเลยไง เพราะนั่นพร อ, อะไรเพราะหลงกายเมื่อที่เราพิจารณาร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานาะนล็กดูให้ดีหนะไม่ใช่ตัวตนของเราหนะใจนาะสอนใจตัวเองเล็กดูให้ดีตามขั้นตอนลงไปมันตายหนาะร่างกายยนะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานาะจากนั้นมากับย้อนมาถึงตัวผู้รู้คือใจมาถึงใจเลยทีนีนมาตัวผู้เห็นตัวผู้รู้ถึงแใจไม่มีอะไรทําไมไปให้ความสํคาคัญไปรุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้น แต่พิจารณาตัวใจตัวผู้รู้อีกเมื่อพิจารณาตัวผู้รู้เทเรนั้นะใจก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจังทุกขังร่างกาเหมือนาากันมันเกิดมันดับเหมือนกันมีความลึกเคล็ดขึ้นมาแล้วก็ดับลึกเคล็ดขึ้นมาแล้วก็ดับเหมือนพยับแดดอย่างนั้น่ะเหมือนพยับแดดมันปเปรี้ยบๆๆๆอย่างนั้นในใจของเราถ้าเราเอาธรรมะเขาไปจับแล้วเราจะเห็นใจของเราก็เป็นอนิจจังสองไม่เที่ยงตรง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางอยู่ที่ใจเนะมื่อปล่อยวางที่นั่นแล้วสิ่งไหนทนต่อการพิสูจนะ์หลักธรรมก็จะพุขึคืนมาในจุดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเป็นธรรมันบริสุทธิ์เป็นธรรมที่ว่าเหนือโลกเหนือสมมติทั้งหลายทั้งปวงนะจุดนั้นเป็นจุดเป็นพทุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็น ปร์พระประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านตุท่านผลแล้วที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดนะสิ้นสุดคือคือวิมุตติภายในนั่นนะเป็นที่สิ้นสุดของธรรมะนะแห่งความสุขที่แท้จริงอยู่จุดนั้นไม่มีจุดอื่นจุดอื่นควา้าไปเจอหาไปเจอในโลกเนี่ยไม่แต่คว้าน้ําเหลวทั้งนั้นนะที่ว่าอันนี้เราสุกอีกสักวันหนึ่งก็จะร้องไห้กับความสุขที่ว่าเราว่ามีความสุขนั้น่ะ ความทุกข์เขามาแทนที่พราะนั้นทางมาหามาจุดนี้แล้วปล่อยวางจุดนี้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงในจุดนี้แล้วนั่นแหละความสุขที่แท้จริงวันนี้ผมได้พูดในวันอุโบสถให้แก่พวกเราทุกท่านได้เข้ามาอยู่ในสำนักของผมขอให้ตั้งอกตั้งใจนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตัองอกตั้งใจรักษาศีลตัองอกตั้งใจสร้างคุณงามความดี ให้เป็นลูกที่ดีให้เป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้านะให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่าได้ประมาทอีกสักวันอย่างมรรคผลไม่พานก็เป็นของพวกเราทุกท่านนั่นแหะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านกล้มคุกคานอย่างพวกเราเราท่านๆนี่แหละพวกเราก็อย่า อ, อย่าลืมตัวทําอะไรสิ่งใดออกไปทํำด้วยความตั้งอกตั้งใจน ะ, ะไม่ใช่ว่าเรา หมดทางแล้วจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะหนทางที่เราจะไปมีต่างมากมายหนทางของเรามีแต่ดีๆทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวแนะนำเอาไว้ชาวโลกคิดดูให้ดีศึกษาดูให้ดีก็แล้วกันนะนการพูดการแสดงธรรมข้เหตุมาสมคูรแล้ตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก